หยดน้ำฝนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ารักอย่างที่เคยเป็นเราหยดน้ำฝนตื่นขึ้นมาในก้อนเมฆของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านสีฟ้าที่งดงามวันของพวกเขาเต็มไปได้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะพวกเขาเด้งไปเด้งมาในก้อ น, มนเมฆนด้รออยู่นี่เลยนะ วันนี้นะฉันจะเอาชนะรูปีในการแข่งก้อนเมฆครั้งที่9ให้ได้และเพื่อนๆของฉันกับฉันจะไปอยู่บนยอดเขาบนเมฆฟลัฟฟี่และพวกเราจะไปสร้างงานศิละปะด้วยแสงเจ็ดสีโอ้โนี่พวกเราโชคไม่ดีเลยที่เป็นเพียงหยดเล็กๆมันจะยังไงกันแน่นะวันนี้ไปเถอะพวกเราไปกันเถอะเออเดี๋ยวนะพวกเรานะ่ะมีงานต้องทำนี่นาวันนี้นะ่า งานงานอะไรเรนนี่ดูสินั่นอะไรอ่ะมอยสิถ้าไม่คิดเหรอว่าใบไม้กับต้นไม้น่เริ่มสุกระโปรกไปหมดแล้วนะเห็นไหมโอ้คุณลระแอ่งน้ำเนี่ยเล็กมากๆเลยใช่แล้วดรูบี้ถึงเวลาที่พวกเราจะลงไปข้างล่างแล้ว พวกเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันมีแผนอื่นแล้วนะวันนี้มาเธอมอยซี่ถ้าพวกเราร่วมมือกันมันจะต้องเป็นงานที่สนุกมากๆไปเลยล่ะเพื่อนเพื่อนบนโลกของเราต้องการเรานะมาเธอก็ได้เรนนี่พวกเราต้องไปด้วยกันกับทุกคนด้วยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันจะไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่างนั่นแหละจิบินยานดริฟโลกด้านล่างนั้น กำลังเดือดร้อนและต้องการน้ําเป็นอย่างม า, มากนะจ๊ะร้อนจังเลยผมเหี่วน้ํามากเลยผมไปกินน้ําในบ่ อ, บอกใกล้ๆนะครับเออลุกัะอย่าไปใกล้บ่อน้ํานะมีนักล่ามากมายที่จะโจมตีลูกรอเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะแม่ว่าอีกไม่หนานเพื่อนๆหยดน้ําของเราเนี่ยจะต้องมาอย่างแน่นอนเลยละ <c oughs> น้ำแทบจะไม่มีแล้วฉันจิบเข้าไปก็มีไต้กรวดกับสายเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกกันนะร้อนตับจะแตกเอาเนี่ยเรตนาของฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราจะทำไงดีฝนจาตกมาเธอได้โปรดหญ้าแห้งเหยินหมดแล้วมันเจือชืดมากเลย ยาแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าฝนยังไม่ตกพวกเราต้องอดตายแน่นอนไม่ใช่แค่สัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เองนั้นก็รอคอยน้ำฝนเช่นกันพวกเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเราไถารวนดินหว่านมเมล็ดพืชแต่ถ้าไม่มีฝนพืชก็ไม่โต แล้วพวกเราจะเอาอะไรไปขายลูกๆพวกเราจะกินอะไรแล้วพวกสัตว์ของเราอีกจงมีศรัทธาไว้นะท่านมั่นใจว่าเมฆและสายฝนจะไม่ถอดทิ้งพวกเราขึ้นไปบนก้อนเมฆนั้นหยดน้ำฝนทุกคนได้มารวมตัวกันไม่นานหยดน้ำฝนนับล้านลานก็ได้มารวมตัวกันบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกลงมา สวัสดีทุกคนดูสภาพของโลกตอนนี้สิหยดน้ำฝนทั้งหมดมองลงไปข้างล่างโอ้นั่นเขาคันวิกฤตแล้วพวกเขาแย่มากตอนนี้ใช่แล้วพวกเขาแย่มากถึงเวลาที่พวกเราทั้งหมดต้องลองไปช่วยเพื่อนๆนบนโลกแล้วล่ะทุกคนพร้อมในอีกสิบนาทีนะเย้โอ yeah, uh ้โหเย้ ไม่นานหยุดน้าฝนทั้งหมดก็พร้อมแล้วเราหยุดน้าฝนทีนี้ดิ่งไปที่โลกกันเลยไปที่โลกไปที่โลกเราหยดน้ำฝนพุ่งดิ่งไปยังโลกพวกเขานักพันๆรวมกันเป็นแผ่นและกลายเป็นสายฝนต้นไม้ดอกไม้และเหล่านกต่างมองเห็นพวกเขาในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้ว ฝนกำลังมาแล้วเอาแย้ oh yeah! ตกมาเลยตกมาเลยเพื่อนคุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้นโอ๋อดีใจนะที่ได้พบเธอขอบคุณที่มานะตอนนี้ใบของฉันได้รับการชะล้างอย่างดีและสายลมก็ทำให้ฉันเย็นสดชื่นได้อีกทั้งแล้ว มแม้ฮะกลิ่นหอมหอมนี่มันอะไรกันพวกนี้มาจากที่ไหนกันเหรอฮะโอ้มาจากที่แม่นนะผสมกับดินยังไงล่ะจ๊ะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทาให้เกิดกลิ่นหอมที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดเลยละ่ะไหนที่สุดบ่อน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกรักแต่ไม่ชื่นใจเลยนะจ๊ะ รสชาติของน้ำช่างสดชื่นและเย็นฉ่ำจังครับผมดื่มทั้งบ่อยังได้ดื่มให้พอใจเลยลึกรกยู้มาเล่นกับพวกเราเราเข้ามาเล่นกันเถอะฮ่าด <c oughs> ูสนุกมากเลยขอบคุณนะสายฝนกองทับหยดน้งฝนเเล็กๆทำให้ดินชุ่มฉ่ำและมีสภาพดีขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีและโตขึ้น ต้นยญ้าต่างงอกงามขึ้นมาเมื่อน้ำฝนตกลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำทำให้สัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มได้อย่างชื่นใจและสนุกสนานหัวเราะในนั้นหยดน้ำฝนเม่็ดเล็กๆรวมตัวกันเป็นลำธารและไหลลงมาจากภูเขาและรวมตัวกันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และทะลักผ่านป่ากับทุ่งนา แม้แต่มนุษย์ที่กำลังเหนื่อยล้าและที่นาที่แห้งแล้งแต่ก็ชอบฝนเพราะมันทำให้พืชเติบโตและความร้อนแผดเผาจากดวงอาทิตย์ได้ลดลงหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆนั้นรวมกันทำให้ฟื้นฟูลโลกให้เงิดงามและมีความสุขพวกเขาไหลไปอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผืนน้ามหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ เราหยดน้ำมีความสุขมากกับการแหวกว่ายไปบนคลื่นูฉันรักคลื่ฉันรักคลื่นมากๆเลยฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากๆงานของพวกเขาบนโลกได้เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ได้มารับพวกเขากลับบ้านแล้วแสงของม่นสาดส่องไปทั่วมหาสมุทรหยดน้ำฝนหยดแล้วหยดเราได้ลอยกลับไปยังบ้านของพวกเขา และในที่สุดพระอาทิตย์ก็พาพวกเขากลับไปยังก้อนเมฆบนทองฟา้าเย้พวกเราทำสำเร็จแล้วพวกเรา<ด>ทำสำเร็จสำเร็จแล้วจดล้วยฝ น, นทำงานได้เสร็จสิน้นแต่เดี๋ยวนะโอ้ชุดน้วยฝนกำลังหลับอยู่ตอนนี้อย่าไปกวนพวกเขากันดีกว่านะหลังจากผ่านทำงานอย่างยากลาบากมาพวกเขาควรได้พักผ่อนคุณว่าไหม ก็เหมือนกับสายฝนเมื่อพวกเราได้ทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันมันจะสนุกและทำให้ทุกคนมีความสุข